4. ครูครูม <him. S 1> ีหลายระดับระดับแรกคือครูที่สอนไม่เป็นระดับที่สองคือครูที่สอนให้เอาแต่ท่องจำระดับที่สามคือครูที่สอนให้คุณมีความรู้ความเข้าใจระดับที่4คือครูที่สอนให้คุณคิดเป็นระดับที่5คือครูที่สอนให้คุณรู้จักเป้าหมายของชีวิตและระดับสุดท้าย คือครูที่สอนให้คุณรู้จักประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิตครูที่สอนไม่เป็นอาจหมายถึงครูที่ไม่รู้จริงไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสอนใครได้ไม่มีใจรักอาชีพครูพอจะพยายามพัฒนาทักษะการสอนบางทีรู้แต่ก็ถ่ายทอดไม่ถูกหรือบางทีถ่ายทอดถูกแต่ก็หลงหลงลืมลืมหรือจำผิดจำถูก เราอาจไม่ได้เห็นครูประเภทนี้มากนักแต่ก็หลงเข้ามายึดอาชีพครูประมาณหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันบางคนก็ลาออกเร็วบางคนก็ย่ำอยู่กับที่เป็นสิบปีแต่ก็มีที่พัฒนาขึ้นในปีต่อๆมาครูที่พัฒนาตัวเองมากลับดำเป็นขาวจากขาดความเชื่อมั่นเป็นมั่นใจในตัวเองสูงจากถ่ายทอดลำบากเป็นถ่ายทอดคล่องและจากรู้น้อย กลายเป็นรู้มากเนื่องจากกรรมที่เกิดจากความเต็มใจสอนนักเรียนจํานวนมากๆนั้นให้ผลเร็วครูที่มีความรู้ดีจนมีความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั้นอาจเป็นเพียงความมั่นใจในตำราไม่ใช่มั่นใจในตนเองว่ารู้และเข้าใจศาสตร์หนึ่งหนึ่งอย่างแท้จริง ความมั่นใจในตำราจึงทำให้พูดและคิดเฉพาะที่มีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรตามตำราวิธีการสอนจึงเป็นการสั่งให้นักเรียนท่องตามตำราเช่นเดียวกับตนข้อด้อยของครูระดับนี้คือตอบได้จำกัดพูดง่ายๆคือคุณอย่าถามในสิ่งที่ท่านไม่รู้เพราะท่านจะตอบไม่ได้หรือตอบแบบเทียบเคียงให้ใกล้ที่สุดกับตำราซึ่งหลายครั้ง ที่คำตอบประเภทนี้จะไม่ตรงจุดและพาคุณไข้เขวไม่อาจเจาะลงไปถึงความลึกซึ้งของศาสตร์นั้นๆผ่านครูระดับนี้ครูที่มีทักษะดีที่จะทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนั้นต้องมีความเชื่อมั่นในความรู้อันครอบคลุมตลอดสายของตนกับทั้งมีความกระตือรือรน้นพัฒนาวิธีพูด วิธีแสดงเนื้อหาไม่ลืมว่าตนเองเคยสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรกับทั้งมีความอดทนพอจะลงรายละเอียดทั้งในส่วนต้นส่วนกลางและส่วนปลายเมื่อคนอยู่ในมือครูที่รู้จริงคุณจะซึมซับความรู้จริงนั้นเพียงด้วยการตั้งใจฟังดีๆและเหมือนตาสว่างขึ้นเป็นปลอปๆข้อเด่นของครูระดับนี้คือสามารถตอบได้ตรงจุด คุณถามอะไรท่านตอบได้หมดและด้วยภาษาของท่านเองไม่จำกัดวงแคบตามตัวอักษรในตำราทั้งนี้ก็จะไม่ตอบออกนอกลู่นอกทางนอกตำราแบบคิดเดาเอาเองด้วยครูที่สอนให้คุณคิดเป็นจะต่อยอดความเข้าใจของคุณไปอีกขั้นหนึ่งคือฝึกให้คุณเห็นสิ่งที่ควรจะมีแต่ยังไม่มีท้าทายให้คุณคิดในสิ่งที่คุณอาจไม่กล้าคิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่จำกัดคุณอยู่กับความถูกความผิดแบบผูกขาดนี้ไม่ใช่ยุยงให้คิดเองเออเองอย่างไรก็ได้แต่จะชี้ให้เข้าใจเรื่องประโยชน์เรื่องโทษเรื่องเหตุเรื่องผลกระทั่งคุณทราบว่าจะอยู่ในฐานะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโลกไม่ปล่อยให้โลกย่ําอยู่กับที่ได้อย่างไร ครูที่สอนให้คุณรู้จักเป้าหมายของชีวิตหมายถึงครูที่ทำให้คุณรู้จักตนเองและรู้ว่าใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มครูประเภทนี้อาจเป็นใครก็ได้ที่รู้จักคุณดีกว่าตัวคุณเองและมีความสามารถพอจะเปิดเผยตัวตนของคุณให้คุณเห็นและยอมรับกับทั้งทราบชัดว่ามีข้อบอกพร่องอันใดมีจุดแข็งใดที่ควรจะมาใช้เป็นจุดยืนเป็นต้น ครูที่สอนให้รู้จักประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิตหมายถึงศาสดาผู้มีบารมีระดับตั้งศาสนาได้เพราะแก่นของศาสนาคือการแสดงเป้าหมายสูงสุดที่น่าไปให้ถึงอย่างเช่นสำหรับศาสนาพุทธจะชี้ให้เห็นว่าทุกข์คืออะไรต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรภาวะความดับทุกข์เป็นอย่างไรและจะไปถึงภาวะความดับทุกข์นั้นได้อย่างไร การตั้งศาสนาขึ้นมาให้คนเชื่อตามได้เลงประโยชน์สูงสุดตามได้ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วบรรลุผลตามได้นับเป็นบรมครูผู้ไม่มีอื่นยิ่งกว่าในวัยเด็กคุณต้องพบกับครูที่คุณเลือกไม่ได้และแม้จะมีครูหลายคนแต่ก็จะมีเพียงไม่กี่คน ที่ส่งอิทธิพลกระทบชีวิตคุณจริงจังนั่นเป็นการแสดงตัวของกรรมเก่าคุณเคยเชื่อและอยู่ในโอวาทของครูแบบใดในอดีตชีวิตนี้คุณก็จะพบเจอกับครูแบบนั้นหรือใกล้เคียงกันนั้นคุณจะถูกหล่อหลอมและแดัดแปลงความคิดให้เป็นไปตามคันลองเดิมๆแต่เมื่อโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะต้องการเลือกครูด้วยตนเอง เมื่อใจคุณถามหาประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิตอันนี้ก็สุดแต่กรรมเก่าของคุณจะพาไปไหนคือไม่ใช่แค่ดูว่าชาติก่อนคุณเป็นคนของศาสนาใดแต่ต้องดูด้วยว่ามีวิธีนับถือศาสนาอย่างไรหากอดีตชาติคุณมีวิธีนับถือศาสนาด้วยการหวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวโน้มคือคุณจะพบและศรัทธาครู ที่สอนให้พึ่งพาผู้อื่นและทํากรรมดีเพื่อหวังผลแต่เฉพาะในชาติหน้าแต่หากอดีตชาติคุณมีวิธีนับถือศาสนาด้วยการทํากรรมพึ่งพาตนเองศึกษาหาความเข้าใจเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดในชาติปัจจุบันแนวโน้มคือคุณจะพบและศรัทธาครูที่สอนให้มีเหตุผลสืบหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวนี้ สรุปคือคุณเลือกครูแบบใดก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีอัธยาศัยหรือมีบุญอยู่กับเส้นทางที่ครูสอนแบบนั้นและการมีอุปกรณ์เล่นเกมกรรมแบบมนุษย์นี้คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนครูได้เสมอครูที่คุณตัดสินใจเลือกได้ด้วยตนเองยามรู้ความนั้นเองจะมาแทนที่ครูคนเก่าหมายความว่าเกมกรมครั้งต่อไปคุณจะพบกับครูแบบที่คุณเลือก ที่จะเชื่อในครั้งนี้เองกรรมที่ทำให้มีครูดีคือเคยหัวอ่อนอยู่ในโอวาทและมีความกระตันอยู่คิดตอบแทนครูที่ดีกรรมที่ทำให้มีครูนาไปสู่ความหลงผิดคือการที่เคยร่วมยินดีกับคำสอนที่หลงผิดเหยียบย่าคนที่เขาถูก ตลอดจนพยายามยัดเยียดแนวคิดผิดทางให้คนอื่นยึดถือตามตนกรรมที่ทำให้เป็นครูที่สอนให้เข้าใจได้คือความมีใจฝักใฝ่กระตือรือร้นในการสอนไม่รังเกียจการตอบคำถามมีความให้คนอื่นรู้อย่างที่ตนรู้เข้าใจอย่างที่ตนเข้าใจกับทั้งคิดหาวิธีที่จะทำให้ใครๆเข้าใจเรื่องยากโดยง่ายไม่ต้องเหนื่อยนาน ความพยายามดังกล่าวจะไม่แค่ทำให้พบวิธีที่ต้องการแต่ยังกลายเป็นกรรมที่ผลสะท้อนกลับมาในรูปพลังการสอนที่เหนือกว่าครูทั่วไปกรรมที่ทำให้เป็นครูที่สอนให้เห็นประโยชน์สูงสุดคือเป็นผู้แสวงหาประโยชน์สูงสุดจากคนอื่นและนำมาพิจารณาแยกขายด้วยตนเองทดลองพิสูจน์จนเห็นผลแล้ว จึงนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ตามหากชาติใดตั้งโจทย์ได้ถูกพิจารณาเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์หาเหตุแห่งการเกิดทุกภพและได้วิธีระ ง, งับเหตุแห่งทุกข์นั้นกระทั่งบรรลุธรรมรู้จักนิพพานอันเป็นที่สุดทุกข์กับทั้งสามารถนำพระสัตวธรรมมาเผยแผร่ให้คนทั่วไปได้รู้ตามก็ได้ชื่อเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูผู้รู้แจ้งนิพพานด้วยตนเองผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธหรือถอนสัตว์จากสภาพเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการบอกทางถูกทางตรง